ปีพุทธศักราช2505ถึง2506พรรษาที่18ถึง19ท่านจำพรรษาที่วัดป่าศีสมพรหัวดงบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมบันทึกวัดป่าหัวดงกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2505ถ250ึง2506หลวงปู่ศีมหาวีโรท่านมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย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 ที่เที่ยวล่าเหยื่อคือจิเลสได้ทันท่วงทีมาบัดนี้เหมือนแมวน้อยตัวเชื่องเชื่อได้แต่นึกถึงคําสอนของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มัน่นผู้เป็นเจ้าชีวิตจิตใจมากระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดกําลังใจว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าทรงจิตไปในอดีตอย่าส่งจิ ต, ไ ป, ต, จตไปในอนาคตการสร้างบารมีต้องมีร้องไห้น้ําตาหนองหน้าเหมือนกับป่าช้าที่เยือกเย็น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 ท่านใดนิพพานไปเสียแล้วแล้วใครหนอจะพอช่วยเราได้บ้างได้แต่นึกถึงหลวงปู่บัวสิริกุลโนวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจึงตัดสินใจเที่ยวทุดงภาวนาผ่านป่าเขาและพักตามถ้ำโดยจุดหมายคือเข้าหาหลวงปู่บัววัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์ทองอินผู้ติดตามหลวงปู่ศรีในครั้งนั้นเล่าว่า ออกจากจังหวัดนครพนมแล้วหลวงปู่ศีท่านนําสานุสิทธิ์เดินทุดงมุ่งหน้าไปยังอํเาเภอนาแจจังหวัดสกล น, นครเข้าพักที่ถ้าตางดถ้ำพระถ้าพระเวทเมื่อถึงถ้าที่พักหลวงปู่ศีท่านสอนว่าถ้าพระเวทนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าพระมาอยู่ไม่ภาวนาน้ําก็จะไม่ไหลไม่มีน้ําใช้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาระวังนะ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 เส้นทางขึ้นถ้ำนี้มีพระทองคาที่เทวาอารักษรักษาอยู่บางครั้งมีงูเหลือมนอนขวางทางเข้าถ้ำเขาเฝ้าสมบัติของเขาท่านต้องเอาเมือตบด้านข้างๆเบาๆเพื่อขอทางเข้าไปดูสมบัติเขาก็ให้ท่านเข้าไปดูได้หลวงปู่ศรีพาลูกศิษย์ไปอยู่ในที่กันดานอาศัยอยู่ในป่าลึกโดยถือคติที่ว่าบรมีเกิดในที่กันดานหรือ มาไม่มีบารมีไม่เกิดพระสมัยก่อนต้องใช้ความอดทนมากหลวงปู่ีมหาวีโรและคณะพระทุดงได้เดินทางจากอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครถึงวัดตาน้องแสงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีใช้เวลาแรมเดือนเมื่อถึงที่หมายหลวงปู่ีจึงรีบเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงปู่บัวสิริปุนโนด้วยความเคารพยิ่งท่านทั้งสองเป็นเหมือนพ่อลูกที่จากกันไปนาน เมื่อพบกันยอมถามถึงความสุขทุกข์ในเพศพรหมจรรันทร์หลวงปู่บัวท่านเล่าว่าจิตของท่านได้ผ่านพ้นจากกิเลสไปแล้วโดยอุบายทำอันแยบคายจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแล้วจิตของท่านศีหล่ะเป็นอย่างไรพอผ่านพ้นไปได้ในปัจจุบันชาติบ้างหรือเปล่าหลวงปู่บัวถามหลวงปู่สีก็เล่าความที่จิตเสื่อมถอยตั้งแต่ต้นจนจบให้ท่านหลวงปู่บัวฟัง ท่านทั้งสองนั่งสนทนาธรรมทางด้านจิตใจจนเช้ายันคำ่ำพูดแต่ภาษาธรรมะล้วนๆดังพระสาวกในครั้งพุทธกาลแม้จะมีแขกโยมที่ไหนมานมัส ก, การก็งดพักเอาไว้ก่อนด้วยว่าเวลานี้เป็นเวลาธรรมฉากัดฉาหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการปฏิบัติเพื่อโยกิจขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงนั่นเองเมื่อสนทนาธรรมจบลงหลวงปู่บัว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 ยิ่งเป็นการยากลำบากเท่าทาวีคูณไม่เพียงแต่สมัยนี้เท่านั้นแม้ในสมัยพุทธกาลท่านพระโคติกะเสืมจากฌานถึงหกครั้งในครั้งที่เ็ดท่านไม่ยอมให้เกิดขึ้นยังทำอัตตวิดีบาทแล้วจึงปรินิพานพระศาสดายังกล่าวชมเชยว่าภิกตุชื่อว่าโคติกะเป็นนักปราศสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจาเจริญดีแล้วในฌานในการทุกเมื่อ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 จึงนำไปปฏิบัติแบบพลีกายถวายชีวิตในขณะที่ท่านเร่งปฏิบัติตามอุบายธรรมของหลวงปู่บัวอยู่นั้นด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งจิตเกิดความกังวลกลายเป็นความปริวิตกทำอะไรกลัวจะผิดจะพลาดสะเสียหมดวันหนึ่งท่านเดินจงกรมพิจารณาธรรมบางประการมีกลุ่มหญิงสาวชาวบ้านกาลังแสวงหาอาหารตามท้องทุ่งในที่ไม่ห่างวัดมากนักพวกนาง ช้อนกุ้งไปพลางร้องเพลงขับไปพลางหยอกเล่นกันไปพลางหัวเราะ ก, กันไปพลางเสียงนั้นได้เข้ามากระทบกระแทะลำแสงแห่งจิตท่านละเอียดของท่านอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่พระบรมศาสด า, สดาตรัสไว้ว่าภิกษุทธิงหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะยึดจิตของบุรุษให้ตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงแห่งสตรีจริงอยู่เสียงอื่น ไม่อาจแผ่ไปทั่วสรีระบุรุษได้เท่ากับเสียงแห่งสตรีข้อนี้เป็นความจริงแต่สําหรับหลวงปู่ศีแล้วกายและจิตของท่านไม่ได้วันไวไปตามอํานาจเสียงและกิเลส ข, ขั้นหยาบแบบโลกนั้นแต่เสียงนั้นเข้ามากระทบจิตที่กําลังเพ่งพิจารณาธรรมขั้นสูงจิตท่านประวัติถือเอาเสียงนั้นเป็นมิจฉาเสียงแห่งสตรีนั้นวิ่งเข้ามาสู่ดวงหะไทยข้างในท่านจึงเกิดความปริวิตกแล้วจึงนําความนั้น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 ซึ่งทำให้เจ็บแค้นฝังลึกบาดใจมาช้านานหาประมาณไม่ได้กำลังกายและใจมีเท่าใดความเพียรกล้ามีเท่าใดทุ่มเทลงไปหมดตะลุมบอลกับข่าสึกสงครามภายในที่ยังมีเชื้อไฟคืออวิชชาถึงจะทุกทรมานแสนสาหัสจักปปานใดก็ไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจเพื่อให้ปรากฏความจริงคืออริยสัจธรรมในที่สุดก็มายุติ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 ในอิทธิริศปาฏิหาริย์การหายตัวได้ของหลวงปู่ศีมหาวีโร